ที่เราปฏิบัติกันก็จริงๆการปฏิบัติก็มาจากคำว่ากายและก็จิตสองคำนี้ก็รวมกันนั่นก็คือชีวิตของสัตว์มนุษย์ทุกตัวตน ก็คือกายและก็จิตนั่นคือชีวิตเะนั้นร่างกายของมนุษย์ทำไมองค์สมเด็จพระผู้มี พ, าพาระภาคจึงให้เราเนี่ยกำหนดรู้ตามความเป็นจริงจนมาสรุปว่าเป็นธาตุขันธ์ เป็นธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเพราะว่าลักษณะของธาตุสี่กองรูปประชุมด้วยดินน้ำลมไฟก็จะอยู่โดยสภาพที่เราต้องกำหนดรู้ว่ามีอัตรภาพ คงไว้อย่างไรปรากฏอย่างไรมีความแปรพรวนไหมมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าฉะนั้นผู้ภาวนาต้องกำหนดให้ได้คำว่าสภาวะธรรมที่เกิดรู้ตามธรรมไม่ใช่ตามใจรู้ตามธรรม ที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะทุกขณะไม่ว่าจะตอนไหนเวลาใดในขณะและก็ทุกขณะต้องกำหนดให้ได้ก่อนพอกำหนดแล้วเนี่ยโยมจะมีคำตอบว่าอ น, นิจจังทุกขัง อนัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจโดยปัญญาฉะนั้นใครก็ตามปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงคาอนิจจังไม่รู้ในทุกขังไม่เห็นแจ้งด้วยอนัตตาแล้วไซนี่ก็ได้แค่ปัญญาแบบโลกโลกที่สมมุติยึดติดกันแต่ไม่หลุดพ้น เป็นปัญญาลูกโลกสมมุติยึดติดกันไม่ใช่ยุดตินะยึดติดกันพอยึดติดกันแล้วก็มันเป็นบ่วงโซ่หรือเป็นลูกโซ่ทำไมพระโสดาบันพระอริยจึงเห็นแจ้งเรื่อง ไตรลักษณ์ตรงนี้อรตมากำหนดพอขึ้นว่าโสดาปฏิผลจํานวนกับความไม่เที่ยงเมื่อไรซึ่งก่อนนั้นก็เคยขัดแยง้งแล้วก็เคยปฏิเสธหลายหลายเรื่อง แต่สุดท้ายพระอริยะจำนนคำว่าอนิจจแล้วก็มาหยุดกําหนดดูอยู่ด้วยคำว่าทุกขังบีบคั้นทนไม่ได้ทนไม่ไหวแตกดับพังเอาในที่สุดต้องถามว่าทุกขนาดไหนขนาดอยากจะตายหรืออยากจะอยู่ก็สุดแล้วแต่หรืออยากจะสู้หรืออยากจะหนีแล้ว จึงบอกเออเราต้องรู้แล้วธรรมาจึงบอกพระอริยะเคยจำนวนอะไรบ้างพระอระหันต์เคยยอมกับสิ่งไหนบ้างท่านไม่ได้ยอมเรื่องกิเลสตัณหาท่านไม่ได้ลดละความพยายามที่จะคำชั่นะ ไม่ใช่ชนะใครชนะความเป็นตัวตนของท่านเองแล้วสุดท้ายท่านจำนนคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตายามไหนเวลาใดใจที่ยอมรับคำเหล่านี้โยมและก็โยมโยมและก็โยมใครใครคนนั้น หรือว่าใครคนนี้ที่กำหนดได้จริงรู้จริงเห็นแจ้งรู้แจ้งทราบชัดสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดดับอธมาจหมุกพระอรหันต์พระ อ, ร, ะะ ร, ะอริยพระประัจเจกพระพุทธเจ้าท่านยอมรับ ความจริงในเรื่องของไตรลักษณ์อย่างไม่มีคาว่าความสงสัยแต่มาจริงใช้มาจำนนทแต่จริงๆท่านไม่ได้จำนนทในสิ่งนั้นแต่ท่านยอมรับสภาพธรรมที่เกิดและก็มีดับ โยมกำหนดกายจิตเป็นอย่างไรยิ่งบอกภาวนาสายภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพื่อตัวตนแต่ภาวนาเพื่อละกิเลสในกายจิตตนจิงบอกกำหนดให้ได้กิเลสอยู่ที่กายเออหยิบมันออกไปซิมันมีกี่ชิ้นละ่ะ หยิบไปทีละชิ้นถ้ามันหนักก็ซอยหน่อยซอยให้มันเล็กลงกิเลสอยู่ที่ใจก็ล้วงเข้าไปหยิบเข้าไปหยิบทีละอันทีละอนัะอนสองอันเขาเรียกว่าถอดถอนอนุใสและอุปากิเลสที่บอกเออสำคัญ สำคัญทำโมหะเวรคติธรรมจารี ร, รมจะรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมฉะนั้นวันนี้พวกเราเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจริงหรือเปล่าถ้าประพฤติ ธ, ธรรมจริงๆ ร, ร, รมต้องรักษาธรรมะรักษาอะไรรักษาจิต รักษาจิตตรงไหนตรงที่มีชีวิตอยู่นี่แหละจงอย่าร้อนใจไปเลยท่านบอกในที่สุดทุกอย่างมันก็ไม่เทียงจงยาเสียอกเสียใจไปเลยในสุดท้ายทุกอย่างก็จากไปปะ่ะฟังแล้วมันมันชักเครืองเนาะ จะเป็นคนล้มละลายเมื่อไรเนี่ยทุกคนปฏิเสธคำว่าการล้มละลายกลายเป็นศูนย์เนี่ยไม่เอาเหมือนชีวิตใช้ไปชัามาบอกเป็นอนัตตายอมยอมรับและจำหนนได้หรือแต่มาบอกถ้าไม่ถึงโลกุตระจิตไม่ถึงปัญญายานไม่ถึงปัญญาวิมุตย์ยังไงยังไงมันต้านกัน อุปสมิโกปรินิพานิโกท่านบอกว่าเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพทะคามีสุขตับปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้เพราะเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มยันตังธรรมังสุตวาวเอวังชานามะท่านบอกว่าพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขามรณามปีทุก ข, ขังแม้ความแก่และความตายลงว่าเป็นทุกข์ ฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงตกอยู่ด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจและก็ความคับแค้นใจทั้งหมดนี้ยมรู้ไม่ว่ามันเป็นทุกข์จึงบอกกำหนดกายให้รู้แจ้ง กำหนดจิตให้รู้ทำกำหนดกายให้รู้แจ้งกำหนดจิตให้รู้ทำตอกย้ำทุกวันทุกวันทุกวันกายจิตชีวิตกายจิตชีวิตชีวิตมีกายมีจิตสุดท้ายทุกชีวิตล้วนเกิดแก่เจ็บตายมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมมีความแตกสลายมีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดรอบยอมยอมรับห ม, มันเวลาจะแต่งงานเนเขาก็ถามว่าเจ้าบ่าวยอมรับเจ้าสาวไหมว่านี่เป็นภรรยาบอกยอมรับจะดูแลตลอดชีวิตไหมตลอดชีวิต ก็ถามอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบแบบเดียวกันดูแลซึ่งกันและกันเป็นคู่ชีวิตและโยมรู้ไหมสิ่งที่ดูแลชีวิตจริงจริงกว่านี้คืออะไรธรรมะจะดูแลชีวิตของเรา แล้วจะคอยเตือนสติบอกความจริงบอกที่สุดของชีวิตว่าเราปรารถนาความพ้นทุกข์เช่นโยมต้องกำหนดแล้วว่าถ้าเราไปยึดสิ่งที่เป็นทุกข์โยมจะไม่พ้นทุกข์อะไรเป็นทุกข์โอโหจีปาถะเยอะแยะมากมายเลือกเกิน โยมไปยึดถือทุกจะพ้นทุกไหมไม่พ้นและอะไรเป็นทุกกรรมหนดกําหนดกรรมหนดกรรมหนดเอาและเจอแล้วกําหนัดมาเป็นทุกแล้วหนึ่งตัวเจอแล้วไล่ไปเรื่อยๆสุดขอบฟ้าสุดขอบทะเลสุดขอบมหาสมุทรจนถึงสุดชีวิตอยู่ไหนไล่ไปเรื่อยๆธรรมานี้วิ่งไล่ตัวเองอยู่นานโขน่า แปลกตรงไหนยอมรู้ไหมไล่เท่าไร่ไม่ทันแต่พอหยุดปุ๊บทันเลยอยอมไม่สงสัยเลยโอ้โหวิ่งไล่ร้อยเมตรก็วิ่งไล่กันแหลไล่เท่าไหรไม่ทันพอหยุดปุ๊บทันไล่ความคิดไม่ทันพอหยุดคิดทันเออ วนกลับมาใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่หมเดินใหม่ยืนใหม่พิจารณาใหม่แต่เป็นชีวิตเดิมๆชีวิตเก่าๆ ค, คาําคราที่จะใครขึ้นขัดเส้นหน่อยอยู่ไปอยู่มามันชักเก่าไปเรื่อยต้องขัดถูเส้นหน่อยดีมันเศร้าหมองอยู่ไปนานๆนะไม่สดใสไม่ราเริงไม่เบิกบานไม่บันเทิงใจเลย ยมรู้ไหมเพราะอะไรเพราะชีวิตขาดกุศลความหมายก็คือขาดบุญชีวิตมนุษย์ที่เศ้าหมองไม่เบิกบานไม่บันเทิงไม่ราเริงเนี่ยคือขาดบุญ บุญก็มีหลายจําพวกจําแนกแยกแยะไม่ยมจะทําบุญประเภทงไหนจะปฏิบัติยังไงจะภาวนาจะสนบนทั้งสมาธิฟังธรรมสุดแล้วแต่แต่อย่าให้ขาดจิตขาดทากายขาดศีลโอโหชีวิตตายโยมทวนใหม่นะจิตขาดทากายขาดศีลช้ำไหม อยู่ไปทำไมชีวิตมีแต่บาปอยู่ไปทำไมจิตใจมีแต่ทุกข์โอ้หน้าตายหน้าตายแต่ยังไม่ให้ตายตายไม่ได้บอกทำไมปัญญายังไม่เกิดตายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าพ้นสรุปว่าต้องสแสวงหาพวกเราสแสวงหาทรัพย์ภายนอกเยอะแยะเพชรนินจินดาเข้าของ เครื่องใช้เราแสวงหามาเยอะบางทีเกินเกินค่อชีวิตหรือเกินครึ่งชีวิตไปแล้วเหลือแค่ขอดขอดชีวิตทำไมบอกขอดอายุมากหัวใจตีบเรื่อยเห็นไหม เ, เส้นก็เริ่มตีบสารพัดมันตีบไปเรื่อยเรื่ยกว่าชีวิตยิ่งอยู่บ้านปลายทางมันจะกว้างขึ้นเปล่า แคบลงแคบลงแคบลงแ KB จนไม่รู้จะไปไหนบอกนั่งเฝ้าบ้านหมดแรงแล้วโทษคุยนะักคุยหนาใบมารอบโลกสุดท้ายคนเฝ้าบ้านคนแก่คนหนึ่งโถนึกว่ามีอะไรวิเศษทําอะไรมาตั้งเยอะแยะสร้างอะไรก็มากมายสุดท้ายชีวิต เฝ้าบ้านมันต่างกับสัตว์เลี้ยงสักขนาดไหนยมเทียบเองนะถ้าลงคำว่าเฝ้าบ้านจะมาว่าไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการแล้วถ้าไม่เฝ้าบ้านจะไปไหนเออใช่หมดแรงแล้วจะไปเฝ้าวัด จับไม่กวาดก็ไม่ไหวไปเฝ้าทำไมเป็นยามเขาก็ไม่เอาแล้วสุดท้ายเป็นอะไรเขาก็บอกไม่ไหวเป็นได้ก็แค่อนิจจังเออใช่ใช่เป็นได้ก็แค่ทุกขังสุดท้ายเป็นได้ก็แค่อนัตตานี่แหละที่สุดของชีวิตธรรมาละทราบซึ้งมาก ตอบอย่างนี้เลยเราชีวิตเนี่ยแต่มาแค้นใจนะบางครั้งเราเดือดปึ๊ดๆไม่ยอมไม่ยอมและไม่ยอมจะเอาอยัางไงไม่ยอมไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วจะทำยังไงไม่ยอมจำหนนเออแต่ต้องจำใจจำจาก จำยองจำนนไม่ได้ก็ต้องจําจากโหทำไมไม่มันไม่อิสระฟังแล้วอาตมาก็บอกว่าในเมื่อเราภาวนาในที่สุดคืออะไรไม่ใช่แก่เจ็บตายบทบาทเท่านั้นแก่เจ็บตายเป็นลีลาหัวเราะร้องให้ดีใจเสียใจ ได้มาจากไปมันเป็นบทบาททั้งนั้นมันเหลือนมันเหมือนละครและชีวิตจริงโยมจะเล่นตรงไหนเออมนเล่นกันดีไหมละครชีวิตเราดูมาเยอะจบยังไงเรารู้แต่ชีวิตจริงสุดท้ายเล่นตรงไหนจบยังไงไปไม่ถูกบอกไม่ได้ งงงงงงทำไงดีวิปัสสนามาเกิดไม่ทันและโยมเกิดไม่ทันเพราะอะไรโยมไม่เข้าใจอนิจจกโยมไม่เคยกำหนดรู้ในเรื่องของทุกขันปัญญาไม่เคยเห็นแจ้งในคาว่าอนัตตาพูดไปพูดมาก็มีแต่อัตตาพูดไปพูดมาก็เหลือแต่คาว่าบ่นเอา สุดท้ายเป็นคนแก่ขี้บ่นนี่เหลือบําเน็ดบํานานโอ่เกิดนานมากกว่าอยู่ไปไม่ได้ดั่งใจก็นั่งบ่นพุ่มพำพุ่มพำทำไมไม่พุทธโธงุบงิบงุบงิบงุบงิบอะไรพุทธโธเอน่พาววันนางุบงิบงิบในมันบ่นแล้ว โยมใจงุบงิบแบบพุทธโทรหรืองุบงิบไปเรื่อไม่ได้ดั่งใจงุบงิบงุบงิบงุบงิบไม่ใช่ภาวนาหนังเรียกบน่นเจงว่าหัวใจไม่เคยสาธยายทำหัวใจไม่เคยสาธยายทำจิตใจไม่เคยรู้ทำที่สุดโยมก็จะมองเห็น ความไม่เที่ยงบีบคั้นมาเรื่อยเร ย, เรยความเจ็บปวดบีบคัน้นความทุกข์บีบคัน้นความพัดพรากบีบคัน้นทุกอย่างกําลังจะหนีเราจากเราถึงคนแก่เป็นโรคเหงานี่เรื่องจริงไปครึ่งหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดกลัวนะกลัวลูกจะไม่ดูแลกลัวหลานจะไม่เอากลัวนั่นกลัวนี่สุดท้ายกลัวแม้แต่ ชีวิตจะอยู่ในวันนี้วันพรุ่งนี้ดตมาบอกถ้าโยมไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติคำว่ากลัวตรงนี้จะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนสุดท้ายเป็นโรคเหงาเป็นเพราะขาดที่พึ่งเป็นเพราะไม่มีที่พึ่งแสดงว่าโยมยังไม่มีหลักชีวิตโยมยังไม่มีหลักเสาเข็มต้นแรกยังไม่ได้ตอกเลย พระชยันโตมาแล้กี่รอบแล้วยมยังไม่ได้เลิกเลยตอกเข็มสิชยันโตโทิยาโมโเลจังกยานานานนนทิวานพระสวนว้ตอกโเข็มได้แล้วลงเลิกเลิกชีวิตตอกเอาอะไรตอกแก่นทับมันใช่อิ หินปูนทรายเทเป็นคร้อนกินแลวตอกเราต้องตอกด้วยแก่นรรมตอกเข้าไปตอกเข้าไปจนถึงที่สุดของจิตวิญญาณนั่นคือที่สุดของชีวิตคือจิตวิญญาณอย่าพูดร่างกายแตมาบอกเดี๋ยวตายเขาเก่าเผามันไม่นานหรอกคุณค่ามันมีไม่เยอะหรอกร่างกายใช้เจสิปี80ดสิบปี หมดสวยหมดงามแล้วแต่งยังไงก็ไม่ขึ้นเชื่อเธอโยมโยมจะไปอัพกี่อัพอัพไม่ขึ้นแล้วล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะ่ะเห็นไหมโยมมีแต่คนหนุ่มมีแต่คนหนุ่มคนสาวมาแทนที่พวกเราทั้งนั้นคนเท่าคนแก่ก็เริ่มค่อยๆหายไปจาก ถนนไปทีศแล้วคนทิศแล้วคนไปเผาบ้านหมดแรงก็นอนอยู่ในบ้านหมดสุดท้ายก็เขาก็ออกจากนอกบ้านเอาไปเผาไปฝังก็ไม่รู้สลายหายไปเป็นธาตุที่สุดบอกเออกําหนดกายรู้ไม่เที่ยงหมุนเวียนเกิดตายสิ้นสุดยังไงโยมต้องถามเองแต่มาเพียงบอกให้ฟังเกิดตายสิ้นสุดยังไง ไปถามใครยมรบาลก็ตอบไม่ได้ท่านมีหน้าที่อีกแบบคือยมต้องไปหาของวิเศษไปหาของวิเศษสามอย่างเอามาประกอบกันให้เป็นอย่างเดียวแล้วจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดไม่บอกหาเอง ปหาของวิเศษสามอยา่างแล้มาประกอบกันประกอบเสร็จสำเร็จสิ้นสุดภาระหมดหน้าที่ดับศูนย์ว่างเปล่าไปหามายมนึกศีล ส, สมาธิปัญญาหรือเปล่าของวิเศษหรือพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระสง์ หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละโยมมันเกี่ยวเนื่องกันหมดสามอย่างไปเถอะไปหาอาดีตปัจจุบันอนาคตของโยมไปเถอะองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือศีลสมาธิปัญญาเดีบอกเออสุดท้าย ยมจะเข้าใจเส้นทางที่มีทางเดินและปลายทางที่มีที่สิ้นสุดแล้วที่นั่นคือหยุดเดินนึกบอกธรรมะบอกพวกเราไม่มีคําว่าจะหยุดเดินได้เลยเดินอยู่ทุกวันนี้แม้หยุดอยู่ก็ยังชื่อว่าเดินอยู่อย่างท่องเที่ยวอยู่ยังไม่สิ้นสุดแล้วก็ไม่รู้หยุดที่ตรงไหน หัวใจโยมยังไม่หยุดเต้นจิตวิญญาณโยมยังไม่หยุดปรุงแต่งแต่มาบอกท้าด้วยโยมไม่พบตัวเองว่าที่สุดคืออะไรหยุดไม่เป็นพอไม่ได้วางไม่เป็นละไม่ได้วุ่นวายทายโยมเริ่มอะไรอย่างตอกเข็มตุ้ม เสาเอกลงแล้วตุลยานโตปทิยาเนี่ยลงเสาเข็บลงที่รากฐานของจิตวิญญาณตอกลงไปปุ๊บป๊บพบอะไรบ้างกายจิตชีวิตกับธรรมะเวลาปฏิบัติเอากายมาแลกจิตแต่พอพูดจริงๆชีวิตกับธรรมะ ผสมภาะสานกันได้ยังไงโอเวลาปฏิบัติยากก็ยากจริงๆบทจะง่ายเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเป็นสูตรสาเร็จมันเกิดที่ใจดับที่ใจเชื่อไหมละ่ะทั้งทุกข์แล้วก็สุข ทั้งกิเลสและความบริสุทธิ์เกิดที่ใจดับที่ใจโอ้โหยากก็ตรงนี้สุดๆก็ตรงนี้สหวานเผ็ดเอาลิ้นสัมผัสเย็นร้อนเอาลิ้นเอากายสัมผัสอ่อนแข็งเอากายสัมผัสแต่ใจของอยู่บุญและก็บาปต้องใช้ใจสัมผัส บางคนทำเขาบอกฉันไม่บาปโอ้โหหนาเลือเกินเธอเนี่ยไม่สะดุ้งเลยนะเนี่ยใจเขาสัมผัสไม่ได้โยมลองคิดดูว่าภูมิภพชาติเขาสัมผัสบาปไม่ได้บุญไม่ได้โอ้โหหน้าสงสารจนไม่รู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหรือต้องพะจนกับ ภัยอีกไม่รู้นับเท่าไรแต่หลายคนใจสัมผัสแล้วนะตอนนี้บาปใจรู้แล้วบุญใจรู้แล้วบางคนยังไม่ยอมรับบาปบุญยังไม่รับเลยบางคนสัมผัสไม่ได้ยังไม่เกิด ภูมิภพนี่โอ้โหอีกไกลมากโยมมีหน้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่ได้โปรดได้ทุกคนเลือกโปรดผู้ที่จะโปรดได้โยมคิดพระพุทธเจ้ายังเลือกโปรดโยมแสดงว่าภพของแต่ละภูมิของแต่ละชาติของแต่ละสัตว์แต่ละมนุษย์แต่ละบุคคล การเวียนวนไม่เท่ากันกรรมวิบากที่ให้ผลเนิ่นนานเร็วช้าสั้นยาวยังมีความต่างกันถึงบอกบัดนี้ใครมีใจสัมผัสบาปได้แล้วแต่มาถือว่าเริ่มโชคดีนะอย่างน้อยก็รู้ว่าบาปมีแล้วใจ ยังไงยังไงในความมืดมีเจืออยู่ด้วยแสงสว่างแล้วเพราะตัวรู้มันเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่านี่คือบาปทั้งที่ไม่เคยทำบุญแต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนบาปจวมาเริ่มโชคดีแล้วนะแต่ไม่ใช่โชคดีเริ่มเท่านั้นว่าคุณเริ่มรู้คำว่าบาปแล้วความเป็นมนุษย์เริ่มงอกขึ้นแล้ว มโนธรรมเริ่มเกิดแล้วจิตบิญญาณเริ่มเกิดแล้วของสุขติภูมิพอคนเริ่มสัมผัสบากเริ่มรู้คำวาบุญไม่นานหรอกโยมเขาจะอึดอัดกรวนกระไว้กระสับกระสายหยุดนิ่งไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจิตบิญญาณ ปลดปล่อยความทุกข์ปลดปล่อยความเลวร้อนทุกอย่างปลดปล่อยอกุศลบาปกรรมทั้งหลายปลดปล่อยพูดผีปีศสาสตาทานทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในจิตดวงนี้จึงบอกเริ่มโชคดีแต่ยังไม่โชคดีจะโชคดีเมื่อต่อยมได้เจริญสร้างกุศล เริ่มรักษาศีลเป็นเริ่มทำสมาธิพอได้เริ่มพิจารณาพอที่จะเห็นอะไรบ้างเห็นคุณพระพุทธเห็นคุณพระธรรมเห็นคุณพระทสงฆ์พิจารณาโลกใบนี้ด้วยความไม่เที่ยงจนถึงที่สุดไม่มีสาระที่ยึดติดสุดท้ายก็ว่างเปล่าในความมีเราก็ไม่ใช่เรายมถึงปัญญาสุดท้ายก่อน ในความเป็นเราไม่เป็นเราในความมีเราใช่ว่าเราและยมจะนั่งยิ้มเลย ย, ยิ้มแบบสว่างสวายไม่มีเครื่องผูกละในความมีเราไม่ใช่เราในความเป็นเราก็ไม่ใช่เราแต่เรามีอยู่ เพื่อมาเจริญกุศลธรรมเท่านั้นพอถึงเวลาโยมก็จากและไม่รู้สึกว่าต้องยึดติดกับอะไรเรามาตัวเปล่ายมไม่ต้องนึกว่ายมต้องสูญเสียขาดทุนอะไรไม่มีอะไรขาดทุนจำไหมมาตัวเปล่าเปล่าเสื้อผ้าชักชุดไม่มีเวลาออกไปยังมีเสื้อผ้าติดแล้วก็เขาเผาไฟหรือฝังไว้ยังมีแถมให้อีกหนึ่งชุดนะ แต่โยมคงไม่สนใจแล้วล่ะจะเป็นสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงสีอะไรโยมก็ไม่สนใครก็ไม่สนเพราะอะไรที่บอกไม่สนนั่นไม่ใช่สมบัติของเรานั่นไม่ใช่สิ่งที่เราได้สิ่งที่เราได้ก็คือบุญกุศลที่เกิดอยู่ในจิตวิญญาณแล้ว นี่คือมเมล็ดพันธุ์จะสมบูรณ์หรือจะรีบก็สุดแล้วแต่จะสมบูรณ์หรือมเมล็ดพันธุ์ที่รีบอยู่ที่โยมแล้วแสดนการภาวนาจึงบอกว่ากำหนดกายกำหนดจิต รู้ถึงชะตากรรมชีวิตรู้ถึงกรรมบีบากที่เราสร้างที่เราทำรู้ถึงมรรคผลในที่สุดคนนี้ไม่ยากจดไม่ยากจดฉะนั้นภาวนาให้ดียมได้คำตอบแล้วยังความมีเราไม่ใช่เราความเป็นเราไม่ใช่เราความมีเรา เป็นเพียงชีวิตที่เราใช้อยู่แล้วก็จากมันไปโจมเสียใจกับมันคำนี้หรือถ้าเข้าใจแล้วเราไม่เสียใจและไม่เสียดายแต่เราจะเห็นสาระที่มีอยู่ตอนนี้ว่าเราจะทำประโยชน์อันใดให้ได้เยอะที่สุดจับเวลาที่เหลือน้อยเริ่มตั้งแต่หนึ่งวิ หมดเวลาได้อะไรคำว่าได้อะไรแต่มาไม่ถามว่ากำไรเท่าไห ร, ร่กำไรอยู่สองมือสองข้างเออต้องให้ใส่ที่ขาด้วยโยมก็ยังไม่เรียกว่ากำไร ไม่ไม่ใช่อริยรัพสมบัติที่เป็นอริยสัพสมบัติที่เป็นโลกุตระสมบัติที่เป็นสุคติโยมีไหมบางคนเห็นชีวิตสั้นว่าเป็นเรื่องยาวแต่จิตวิญญาณที่เป็น สิ่งที่เราเวียนเกิดตายที่ยืนยาวที่สุดแต่เรากลับไม่ให้ความสำคัญธรรมาจริงบอกเออรู้แล้วเรือนร่างนี้ถึงจะทุกข์มันนับปีได้กะเกณได้ประมาณได้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเท่าคนแก่ก็กะปีได้ ซึ่งมีตัวอย่างให้กะเกณฑ์ได้แต่ทำไมเรามองสิ่งนี้มันยาวมากเราทำซะจนทิ้งจิตวิญญาณไปเสียดายเสียดายตรงที่ว่าวันนี้เรามีโอกาสที่มาในเมืองมนุษย์ แต่เราไม่ได้อะไรจากเมืองมนุษย์ที่เต็มไปด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราไม่รู้จักไขวควา้าพอหมดเวลาก็จากไปถามว่าได้อะไรโยมไม่ได้อะไรเลยกินดื่มขับถ่ายโถเอ้ยมันห้องส่วมห้องน้ำทั้งนั้นที่พูดมาไร้สาระ หลับหลบแล้วก็ตื่นตืนโถเ อ, อ้นึกว่าอะไรนะั่งแค่พักผ่อนสุดท้ายก็ตายแค่เนี้ยปลูกผักปลูกหญ้าปลูกไปปลูกมาโอ้โหนั่งแค่อาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่สุดไม่นานก็จากอีกมันมีแต่สิ่งไม่เที่ยงเท่านั้นเลยชีวิตโยมเข้าใจและยึดมันทําไมถ้ายมเข้าใจยมต้องปล่อยวางแต่ไม่ใช่ทิ้ง ปล่อยว่าเรารู้แล้วยิ่งภาวนาเท่าไหร่จิตยิ่งแกร่งใจยิ่งแข็งอำนาจจิตยิ่งมากพละพลังจิตยิ่งสูงขึ้นเรื่องจริงไม่ได้พูดเลยแะ่นั้นความหวั่นไหวจะก็ค่อยลดลดลดลดลดลดลดล ด, ลดจนสุดท้ายจางหายไป แล้วก็มองโลกนี้ด้วยแววตาใหม่ด้วยวานเขาเรียกด้วยม่านตาใหม่ด้วยแววตาที่มองโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เราต้องยึดเลยเมื่อก่อนพวกเรามองว่าโอโหเราต้องยึดนั่นยึดนี่ต้องติดกับสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นเราจะอยู่ไม่ได้ไม่มีสิ่งนั้นเราจะต้องตายบอกจริงๆไม่ใช่ เราเกิดมาก็ไม่มีสิ่งนั้นก่อนแล้วก็มาสร้างมามีทีหลังพอไม่เข้าใจก็ยึดติดสิ่งนั้นแล้วก็หลงว่าสิ่งนั้นแหละคือรางวัลชีวิตที่เราจะนําไปจริงๆไม่ใช่เราเสียเวลากับสิ่งนี้มากเกินไปใจจริงไม่ได้พ้นทุกข์เลยยอมกำหนดให้ดีที่พึ่ง ที่พึ่งตอนเป็นและที่พึ่งตอนจากโยมหาให้เจอทั้งสองอย่างกายจิตที่พึ่งทางกายเรารู้ชีวิตมีต้องมีที่พึ่งฝนตกต้องมีที่หลบฝนแดดออกต้องมีที่หลบแดดยามหิวเจ็บไข้ป่วยต้องมียามีมอาหารมีเสื้อผ้า มันเป็นขั้นพื้นฐานจริงๆมันเป็นแค่เพียงเป็นที่พักพิงอาศัยและเป็นที่ดำเนินอยู่ชีวิตแต่สุดท้ายที่พึ่งพระพุทธเจ้าจึงก้าวออกมาจากตรงนั้นเพราะไม่เห็นว่านั่นคือที่พึ่งสารานังไม่ใช่สารานะ ูเขาไม่ใช่บาไม้ไม่ใช่สุดท้ายไม่ใช่แล้วอะไรคือใช่ยมว่าพระพุทธเจ้าแสวงหาอะไรแล้วได้อะไรนั่นแหละใช่เห็นไหมพระพุทธเจ้าแสวงหาอะไรมาหกปีแล้วพระพุทธเจ้าได้อะไรนั่นแหละคือคาตอบ พระพุทธเจ้าก้าวออกมาสแสวงหาชีวิตด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ด้วยวัตถุสังขารร่างกายก้าวออกมาสแสวงหาชีวิตก่อนด้วยจิตวิญญาณยมเติมให้เต็มนะชีวิตด้วยจิตวิญญาณโอ้นี่คำนี้มันเหมือนหาชีวิตเจอแล้ว ชีวิตด้วยจิตวิญญาณรู้ไม่จิตวิญญาณใ่แสวงหาหรือปรารถนาสิ่งใดความหลุดพน้นไม่ใช่อาหารเคยอดมาแล้วจนภัยพอมหมดแต่นั่นไม่ใช่ทางยังไงยังไงเสียร่างกายก็ต้องอยู่ด้วยดิยดนน้ำลมไฟอาศัยธาตุสี่ เป็นธรรมบัณดาต้องอาศัยอาหารยุกยาแต่ไม่ใช่นั่นเป็นเพียงที่ทำให้ดำรงชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาสิ่งที่เลิศกว่าสุดท้ายพระพุทธเจ้าแสวงหาอริยมก็ทราบแล้วอริยมรักอริยผลโลกแห่งพมกขา จนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชมเห็นไหมตรงนี้แล้วถามว่าพระพุทธเจ้ามีอะไรเออต้องมาคุยกันพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นอะไรได้อะไรเลิกตรงไหนพระพุทธเจ้าอย่าพึง่งทุกอย่างศาสนาเราเป็นหลักของปัญญาอย่าเชื่อสืบๆกันมาโดยที่เราไม่ร่วม สิ่งนั้นมันมีแก่นประโยชน์สาระตรงไหนแต่ามาดูถ้ามาจะไม่ดูพระพุทธเจ้าเราคนที่เรากราบอยู่ทุกวันทุกคืนต้องไม่เปื้อนต้องสะอาดสะอาดยังไม่พอต้องหมดจดบริสุทธิ์นั่นคือที่พึ่งของเราแต่ไม่ใช่พึ่งทางกายอย ชีวิตแด่จิตวิญญาณยมอย่าทิ้งคำนี้ชีวิตแด่จิตวิญญาณเราถ่ายโทษจิตวิญญาณเราถ่ายบาปจิตวิญญาณเราถอดถอนทุกจากจิตวิญญาณทุกอย่างจิตวิญญาณนี้ต้องได้รับการปลดปล่อยหรือปลดแอกหรือเป็นอิสระชีวิตมีว่าแด่จิตวิญญาณ คือเราต้องทําเพื่ออะไรแดดจิตวิญญายมต้องปลดปล่อยเขาปลดปล่อยในภูมิภพชาติเขาอย่า ก, กักขังเขาอีกยมเคยฟังเพลงไหมฟังแล้วเศร้านะอะไรอย่างเง้่าขังฉันเลยอะไรในเพลงฟังแล้วก็สงสารเขาปลดปล่อยแดดจิตวิญญาณชีวิตแดดจิตวิญญาณ ของยมชีวิตแด่ร่างกายโอกินให้อ้วนไปเลยกินเข้าไปกินเข้าไปไขมันขึ้นนะกินเข้าไปไขรัสร้อนขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ใ ช, ชีวิตแด่จิตวิญญาณเห็นไหมโยมแด่จิตวิญญาณบอเออพอเราถึงจุดโยมปลดปล่อยเขา จิตดวงนี้เขาไม่ต้องการเสียใจโยมอย่าให้จิตนี้เสียใจอย่าให้เขาร้องไห้อย่าให้ความเสียใจกันออกมาเป็นน้ำตาอย่าให้มายาชีวิตและทำให้เราต้องมาเสแสั่งกับสังคมจอมปลอมอีกเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นโยมนึกว่ามีเวลาเป็นร้อยปีหรือไงหมดแล้วหมดเวลาแล้ว เอาจริงเอาจังสักทีตอกเข็มได้แล้วใจ ย, ยานตอภันที่ญานี่รอบสามได้นะเอาอยัางเนี่ยเตรียมนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบสี่มานะี่ยเแดนะเ ด, ดจิตวิญญาณชีวิตอเออบัดนี้จิตวิญญาณเราสงบแล้วยังคือมีสุขติแล้วยัง โลกใบนี้โยมอยู่ได้ไม่ใช่อัตตาเราอยู่เพื่อวันตายวันหนึ่งแล้วเราก็จากจากโลกนี้ไปแต่เราไปมีความสงบไหมยามมีชีวิตอยู่เราเป็นสุขไหมโยมยังไม่ปลดปล่อยอะไรเลยผูกร้อยรัดมัดยึดติดมันเป็นคุกนะ มันเป็นคุกบอกอยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองจนยังดีมีธรรมะคำประคองดีกว่าปองคิดร้ายทำลายกันเ hey, <ม>อ้ไหมโยมโอโยมไปดูภาริยปสดาวันท่านไม่ได้เกลี่ยที่อยู่ที่อาศัยที่พักเลยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยป่าทั้งนั้น ท่านมีมหาวิทยาลัยอยู่ในป่าท่านศึกษาอยู่ในป่าแล้วท่านก็บรุอยู่ในป่าแต่พอความจเจริญเข้ามายุคสมัยการเวลามันก็เปลี่ยนไปตามสมัยยุคธรรมดาเราไม่ได้ขวางโลกเราก็ไปตามแต่ไม่ใช่ไหลไปกับโลกเพราะเรามีจุดที่เราจะต้องทำ นั่นแหละยมต้องยืนให้มันอิรฉายวมประกาศตัวได้ยังบัดนี้ดิฉันหรือกระผมหรืออาตมาเราปลอดโปร่งแล้วเราพ้นจากโอคะบังวนที่จมสัตว์ให้มีพบรักมัดไว้ให้มีภูมิติดอยู่ เห็นไหมถึงบอกเออแด่จิตวิญญาณตอนนี้โยมมีบุญและอยังจิตวิญญาณกําหนดลึกๆนิ่งแต่หายใจอยู่คิดแต่ปล่อยวางได้บอกหลายคนไม่เข้าใจความคิดคุณไม่เข้าใจความคิดที่คิดคุณไม่เคยปล่อยวาง คุณไม่เคยเข้าใจจิตใจเลยคนมีแต่ยึดมั่นหมายคุณไม่เคยรู้จักก็มอิสระหรือเสรีภาพเลยแม้แต่วันเดียวเหนื่อยตายสุดท้ายยมจะแบกโลกใบนี้ไปหรือใครจะแบกไปโยกมือหน่อยจะมาขอไปด้วยคนแต่ว่าพอถึงทางแยกแยกกันนะ แต่ามาคงทนไม่ไหวแล้สุดท้ายโลกจะทับโยมตายไม่มีใครเอาโลกนี้ไปได้ไม่มีถึงว่าเออมนุษย์เข้าใจแค่โลกีวิสัยแต่ไม่ได้เข้าใจถึงปัญญาอันบีมุตนั่นคือสิ่งสูงสุด พยายามหาเข้าไว้โยมไม่อย่างนั้นโยมจะเหนื่อยเปล่าหรือว่าเหนื่อยฟรีเหนื่อยมาทั้งหมดทั้งชีวิตเหนื่อยเปล่าเปล่าแสดงว่าเป็นโมคะไม่มีสาระนับไม่ได้โมคะคือเจ้าแล้วไม่ได้อะไรเลย โยมต้องได้นะโอ้โหเกิดมาสี 6, ห้าจสิบปีถ้าไม่ได้แต่จิตวิญญาณไปบ้างไม่มากก็น้อยตมมาว่าเหมือนไม่เกิดมาเลยเนี่ยหรือเกิดมาก็ฝืนฝืนยังไงไม่รู้ทำไมต้องฝืนด้วยโยมปีนเกลเนี่ยนะปีนเกียวนะ เป็นไงเกลียวมันใช้ได้ไหมยิ่งขันก็นยิ่งรูดเกลียวรูดเกลียวรูดใช้ไม่ได้มันขบแสดงว่าโยมยังไม่รู้จักใช้ชีวิตแดดจิตวิญญาไปพิจารณาให้ดีคำนี้ไม่ได้ตื้นนะลึก ยมทําอะไรมามากมายแต่ถามมาชีวิตแ ด, ด่จิตวิญญาณไนหะและถามมาได้อะไรวันจิตเนี่ยได้ไดอะไรโยบอกวันนี้กําไรมาเท่านั้นเท่านี้ได้นี่มาได้นั่นมาได้นู้นมาเอาไปได้ไหมไม่ได้ได้แค่ใช้จ่ายชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วพร้อมไหมที่เราจะไปจากโลกนี้ ที่ดีกว่าชาติที่เกิดมาแล้วจะมาแค่คคำนี้มากที่สุดจึงอธิษฐานว่าถ้าจะเกิดเราไม่ตกต่ำกว่าชาติที่แล้วมามีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนในที่สุดหยุดเกิดไม่ร้องแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ทูไม่อยู่กับใครแล้ว ใครจะไปทูยู่ก็ไปทูเองแล้วกันไม่แล้วเพราะอะไรเกิดความเหนื่อยหน่าย ว, วันหนึ่งนิพพธา ย, ยานจะเกิดกับพวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่อาจจะเกิดวันต่อต่อไปหรือบางคนเกิดแล้วก็มีแต่ไม่ตลอดสาย ดับดับแล้วก็ติดติดพอเกิดนี้พิธายานก็ปัญญาเกิดแหวนทาให้เห็นสาภาพทุกเบื่อหน่ายไม่เห็นสาระก็พอจะผ่อนพอจะวางได้แต่อยู่ไปอยู่มาเอาแล้วเพชรดินจินดาวเข้าของราบยศสรรเสริญมันเข้าตาขยี้ไม่ออกบางอีกแล้ว โยมต้องสลัดออกมาให้ได้เบือนที่พระพุทธเจ้าถามว่าออกจากความเป็นเจ้าชายในชีวิตตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาชีวิตแดดจิตวิญญาณโยมต้องไปหาคำนี้มาเวลามีไม่มากพอ นั่นขนาดพระพุทธเจ้าตั้งหกปีบำเพ็ญบุญชาติมาไม่รู้อีกกี่อาสงไขยอีกกี่กำไรอีกที่จะเป็นกับของพวกเราเนี่ยยังไงก็อินทรียบารมีไม่ถึงตรงนั้นไม่ถึงหกปีของพระพุทธเจ้าเราชาติสุดท้ายถ้าเทียบกับพวกเราไม่รู้อีกหกหกเท่าไหร่นะตอบไม่ได้ฉะนั้น ใช้สติะระลึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆระยมพยายามกําหนดจิตบ่อยๆมันยังทุกไหมถ้ามันทุกโยมต้องถามไปเรื่อยๆว่าทุกทําไมต่อไปถึงที่สุดแล้วไม่มีคําตอบมันต้องว่างเปล่าในทุกข์จงนั้นนั่นคือคําถามที่ไม่ต้องถาม คือจบใครบําเพ็ญก็ตามมาถึงจุดที่บอกว่าทุกดับหมดแล้วคนนี้ปฏิบัติไปมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วหมดแล้ว อัตเทวกิจจะมาตบปางโกชัญญามระนังสุเวถึงบอกความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นี่คือสำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงเราก็ต้องเพียนปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศให้กับเจ้า ก, ากรรมนายเวรทำไปเรื่อยๆ ใหญ่หยุดจเจริญกุศลไปเรื่อยๆในวันวันหนึ่งโยมจะต้องได้บุญโดยวิธีใดหรือวิธีหนึ่งวันนี้โยมไม่มีเวลาสวมดมนต์จำเป็นจริงๆไม่ได้สวดเจริญกุศลจิตจเจริญเมตตาจิตอะไรก็ได้ หรือเราลึกถึงข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาให้จิตไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราจะหลงในสิ่งนั้นตัดมันให้ได้ถึงว่าอบรมจิตตั้งสติพิจารณาอบรมไปเรื่อยกําหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนในที่สุด โยมจะเข้าใจทุกอย่างและไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดอีกเลยจะเกิดหรือจะตายโยมไม่รู้สึกกินดีกับมันแล้วอยากให้ถึงวันนั้นคําเนี้ยเราจะรู้สึกเหมือนมันไม่มีสาระเลยและโยมไม่ตกใจแล้วมันเหมือนกับคนที่รู้แล้วมันเป็นเช่นนั้น เหมือนคนที่พร้อมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ยินดีในสิ่งนั้นที่ไม่หวั่นวิตกเพราะเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุจบคนยิ่งภาวนาจิตยิ่งวางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อยจนสุดท้ายไม่มีคำว่ายึดติดจริงๆนั่นแหละ ยอดแห่งการภาวนาที่สุดของชีวิตคือจิตใจที่สุดแห่งจิตใจคือคำว่าจิตที่ว่างจากทุกข์ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด